ต่อไปนี้เป็นการแสดงอบรม ร, รมกรรมฐานของพระอาจารย์หลวงปู่ลุยแสดงณนะที่บ้านพักของคุณกิจจาบางแสนณนะวันที่25พฤษภาคม2521นั่งสมาธินะขาขวาครับข้างซ้ายเด้งมือขวาครับมือ ให้องให้กองสิยานะ่ยเรื่องประคตสมาธินานประกาหนึ<ม>่งอย่าให้เน้กายวิเวกกายวิเวกนะให้สนใจใมากคือสดนะ<ม>ย้ายจิตเนื่องกันย้ายจิตเข้าเคลื่อนกัน<ม>การกุศลในหมู่คณะอันองสมเดชพระก็มี้าพความสิยา ไ, ไม่ติดต่อกันนะไม่ติดต่อกันนั่น ใจว่าราอยู่ที่นี่คนเดียวคนเดียวนะเปลี่ยวๆนะนั่นกหมายความม่า anyway, เราแก่นคนเดียวเจ็บเจ็บคนเดียวตายคนเดียวนะใครแทนไม่ได้ตัดสใจไว้ที่นี่ทีเดียวนะตตัดสินใจได้วที่นี่แล้วไหนเกิดก็กายก็เปี่ยวท่นไม่เรื่องจากใจเบวขนาดอย่างเต็มที่ที่นั่นนีประการ และอิปการหนาจีวงแวก น, นั่นถิเนห่าไปคุยกันนะเส <c oughs> ียงเขาอบจะอึบสะกบทำพระจะเหตบายนั่น <c oughs> อิปการหนังและอิปการหนังมะนอมวยแวก น, นั่นถึงเนเขิมไหวามมาหัวใจน่ะเมื่อไปแวกลงไปแล้วเจียใจเปลี่ยวเปรี่ยวเรียนะนัว้าแวนะเปลี่ยนะนั่ น, น, นแล้วทีนี้นน้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามา อยู่ในดวงเหตุนะจกจับตัวของพลุจ้าไว้วาพุทโพุทออพุทโนะให้นังอยนะห้สงนะนั่นมประการดังและอีประกาดนะ <c oughs> ังนะยายาทรงเกลียดยาเดอดนะยาเดือดนะเป็นไคยใหญ่เป็นภัยใหญ่หมายความว่า คิดถึงอารมณ์น่ะเดือดร้อนแล้วไปเนะี่มาทับปัจจุบันมันยกจิต ไ, ไม่เคยนนั้นจิตไม่สว่างจิตงงเง่าต่อตูนแค่ไม่รู้อัดกูทำงานประการใดโดยประการเด็กอ้กองสมแดกร้าพ่อเมียฝากความคามจิตอนาคตนะอย่าไปคิดเปน็นนกนะจะไปอ่านนะสิ่งได้ยังไม่ถึงเราอย่าคนขวาเนเถอะนะนั่น เขาเรียกว่าสมบัติบาสมบัติบานะงานนั้นเวลาอนาคตแล้วนมาทับปัจจุบันนะงานะยกเกิดปัจจุบันไม่เคยนะนะอันตรายอันตรายธรรมะในปัจจุบันทั้งสองอย่างอาดีตเดืองอนาคตเดืองนะอมไม่เที่ยงเวลาเที่ยงใดความเป็นหนึ่งเฉพาะในดวงเกิดเกิดขึ้นแล้วงานนั้ น, น, นละ จเกิดมโนภาพหลายประการหลายประการหนึงเสงบนะสองเกิดไม่อำนาจเฉลียวนีและ้าเกิดตไม่รมักมอด้ด ว, ดวงเิตเฉลียวนี้ยนันอนาทพุทโธสอนในดวงเิแทแล้วอประการหนึ่งนะไม่ทำมรรคกันสอในด ว, ดวงเินะ สึ่งได้ไม่รู้ก็รู้ก็มาเดนะืดว้เฉยะอ่านอ่านพัะลายปดอกจากดวงเฉิดนะนะเรียกว่ากวามผีทวงทวงออกจากดวงเฉิดทวงออกจากอวัยวะทุกส่วนเยนะนาะยอย่าเอาน้อมลึกเอาริยัดไปวัดไม่ได้ของนอกใครเป็นของนอกของนายใครเป็นของนายนะนาะยนะนี่ละอันองค์สมแต่พระพุ้เมียภาคนะพระองค์อท ร, รามานอยู่ที่อะไร โอรุเสนาดีคมนะนั่นเมืองพราเสอาตมาพุทเมืองพาณเสยนะนั่นธรมาจกปีนะหปีเแมหัวเนือไมสำเร็จน่นเืพนพระองค์ภานาอนาปานสตินะลิกถึงพุทโธเลิกถึงอารมหายใจนะหายใจยาพระองค์ก็ร้หายใจอย่างกลางหายใจอย่างละเอียดนะ ตลอดไปตลอดไปหันใจานในท้องในทรายหายใจข้างขึ้นข้างบนข้างล่างนะนันหายใจนะนันหายใจทุกเส็นคนนะองชำนาญชำนาญลมละเอียดนะอลมอยางกลางนึงลมอย่า ง, งหง ย, างยาบเนึงนะลมในท้องในทรายลมพัดไปตามตัวนะ๊ะทองฉลาดนะนั่น ยาตัวนี้ก็นานเองแหละอืจึงได้สําเร็จอุตรราสมมาสัมภิญญปราเกิดพระเกิดในน้ําพระทัยของพระเจ้าเดียวนี้ อ, อย่าเอามากนะเอามากนะพระองค์เอาเดียวเอาอนาพานสติเดียวเลยนะขาดลมนะพระองค์ก็ทั้งรูขาดน้าขาดายขาดอื่นนะนั่นเพราะเพราะอย่างไรไอขาดใจนด่พุทธขาดข า, าดกันนะ ลูอันเดิ้วก็ลูหมดเถ้วนะไงจะเอาหมาไม่ได้คกิดลังระจะสงสายเอามากนะไงเกิดบังระสงสายนะไงเรคล้ายๆก็ว่าเกียวยาบ่งคงนะไงเนี่อันเดียวอันเดียวเลนะอันเดียวอันเดียวไม่ยานขังได้ทะลุออกไปตัดทะุอนุตตรสัมมาสัมพทาญาณได้แคเดียวนะเนี่ละ ความที่ภาวนามาเช่น้ไม่ใช่เอื่อกใรปัญญาสมาธ้ความสงบของดวงจิตนะปัญญาสมถถาธาทีนี้ให้รู้ให้ฉลาดเมื่ออย่างที่กล่าวมาทรมานจิตในะไงและถ้าเนี่ความเป็นหนึ่งในดวงจิตแล้วตอนนานต่อข้นวิปัสสนานะยกเก็ดขึ้นสูงวิปัสสนานักคุนควาเทื่ง ความขวาของอายวะร่างกายท้งสังขารทุกส่วนนะล้ะกอบแพงทุกของอังด้วนจันตาไม่มันไม่เทียงของเทวดนะของอายุวะทุกส่วนนะนั่นเดินมัดให้ถูกเดินมัดให้ถูกพิดไม่ได้ผิดไม่ได้คือกล่าวว่าปัญญาเห็นชอบจำเริชอบเจใจชอบกันงานชอบเลยะ เห็นอวัยวะทุกสวนมันแปรนะมันแปรมันเกิดมันตายเป็นเนื้เรียวนะนันมันหันไปให้ความแก่ความเก็บคมตายเปเลยเดี so ๋ยนะนันไอเห็นในตอนนี้แล้วดังเสือโมูโตไทนะเป็นม่นทลางกล่าวการกล่าวนั้นว่าอัศกฤโด่งนะอกฤโด่งนะนันกฤตโด่งเทียงก็ตโด่งนี่ถือสเป็นยังไงขาวยังไงเยื่อในกฤตโด่งยังไง หาความไม่โล้เช่นนั้นยังไม่ชานาญยังไม่ไเคยเ่านามาเช่นนั้นพักสิกขาให้เห็นเห็นด้วยค่าคะแนนเอานึ่งกะประมาณเอานดิมดาวเอานึ่งก็ะโดดเป็นเช่นนั้นเชนนั้นนะเอาํานานไปนานไปนานไปเอา น, น า, านธนาคารบ้านใครใครก็ตีลึกนะ ไปลงปลายไปลงปลายอ่ามาแกบ จ, จมไปแองนะนั่นมันเกิดสมาธิไปแองมันรู้มันฉลาดไปแองนะนั่นทำบนะ่อยๆนะอาไอความรู้กว้างขวางนะนะะนั่นและนี่ความรู้ลึกซึ้งนะนั่นเนืดาวเองกะประมาณเองคาดขนเหวเองส่วนนั้นไปกระดกไปยังไ ง, น, น, ง, ง น, นะ ก็ดูกศุศษะยังไงอ่าก็ดุคอเป็นรันรันลงไปนะอ่ะารันลงไปกระดกแขนหลังนะเป็นรันรันลงไปนะถึงบันเอวนะนั่นแล้วเธอเดินถึงเท้าเธอเดินะนั่นออกจากข้าวขึ้นไปข้างบนออกจากข้างบนลงมาถึงเท้านะ่ะตั้งร้อยครั้ ง, แ, งแสนครั้งแสนครั้งเธอนะเอาไอความรู้นะไอฉล า, าดเธอนะ รู้ ด, ด้วยปัจะิตังสะพอ้อในดวงเกตนะนันเก็อยู่ที่ไหนมันก็ต้องรู้นะทือนานเท่า น, นี้นันลกควงขวาเสริญธมะเอ่ความแปรสุตตพจนว่ากินข้าเข้าไปทั้งปากนะนันเมื่อทั้งปากแล้วนะี่เอ่ํารรกลางมาทํางานตึงตังตึงตังอยู่นะมันย่อยอาหารนะนันแล้วคําประคําหัวใจนะ เป็นตึกๆนะไม่ใช่อึนกลายไม่แช่อึนกลายมันเกิดลงเหตออกมาจากดวงเิเลี้ยงอยวะร่างกายทุกส่วนนะนั่นความแปลให้เห็นความแปรเมื่อเห็นความแปลแล้วเห็นไตรลักษณ์นะทีคุกขังอจังนันตาปรากฏใ้ดวงเกิดซะแล้วเลยนะิมันส่งแดกไปข้างอื่นข้างกลัยเพราะยังไงมันเป็นนันตาหมดในโลกสามเนี่ยสามมรโลกรูปอรูปรโลกนะ มันจะไปทําไมนะนะัเมื่อไม่มีทางปไปแล้วเกตก็ต้องหันกลับนะมาใต้ความท ง, งบหนะ้าสมาธานะมาตั้งอยู่ได้วิปัสสนานะคุควานะนันะในที่ล่างเป็นบาตเป็นหมดถ้าจะรู้กแก้งเห็นเจงนะในธาตในศาสนวาคำสอนของพระพุทธเจ้านะเกศสว่างเกศสว่างเพราะยังไงนะเพิกกะเด็ดจบไปแล้วเปิดอนาคตจบไปแล้ว เพ่งปัจจุบันปัจจุบันจิตสว่างจิตสว่างข้อตข้อตปรายันน้อวัใจสว่างความรู้ก็สว่างทีเดียวนะนั่นสว่างด้วยสว่างด้วยเียน่นเป็นยอดของอภิษณะซะแล้วทีเดียวนะความสดของสว่างเรียกว่าบีโมกบีหมดนะนั่นความสดของสว่างนั้น หมายความว่าปกติของจิตนะความประสุท์ของจิตนเจิตไม่กํำรอบอคุิธรรมนะนั่นขนเกียงลงไปแล้วไอ้ความแปลเห็นอันนั้นอันนี้ละอ้าวว่าเห็นเท่าไจิตมันหยุนะนะ่จิตมันเที่ยงนะไม่วิ่งไปตามกระแสของสังขารนะนั่นจิตหยุดจิตหยุนะจิตรับความสบายนะนั่นคล้ายๆกับจิตองค์สมเด็จพระพมีภาคจิตพระอรหันต์ทั้งหลายนะนั่น สำคัญในตอนไนเที่ยง ว, วิปัชนาได้ทีนี้คือแพงนะมังกายนะมังกายแล้วก็มงังโนสายทีนะโนสายมันดองอยู่ในดวงเกินะงั้นมังก็ไปมังกาไปออาไอ้ความมังนะเป็นชะมดเหตุว่าหารมันร้างในดวงเกิจก็เลสไม่เกิดก็ในสันดานซะแล้วเนี่ย เกิดบริเจิดจิตบริสุทธ์นะจิตม ม, ม่มองไมมุนะไม่มีภัยไม่มีเวงก็แล้วจิตร่างเช็ดดีนะนะนั่นเนื้อสันได้ต้องอกต้องใจแช่น น, น, ดด น, น, น, นั้นแนละ้วอิปการจิตดิ้นแอจิตเดินอยู่เช่นนั้นปวกราจยู่เนั้นเน่ยต้องเข้าพักนะไม่พักไม่ได้พักสมาธิความเป็นเนึ่งนะไอ้คนน้อยเพื่อเราทำงานแล้เนือนะน้อแล้วก็ต้องพักนอนนั่น เมื่อนอนนะอิ่มแล้วไม่กำลังแล้วค้นคว้าเสียนะไอ้ความรู้อ ส, สองสเศษสองเศษนะความรู้ในสมถะดังความรู้ในปัญนาดังจะแก้ขายเกล็ดนะจะทำละอนุสัยนะสํหรัอ่ะอับไปจังไหลให้คลายออกในดวงจิตนะอับไปจังไรลน่าเฉียนเลนะเกิดหมายความวม่าราคาของร้อนนั่น โสดนะคงร้อนนะโมหะนะงร้อนนะน่นไะอ้ขว้าัปรีงไลนะ่นะนั่นของอัปเรีงไลของพระรีทเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าห้ามชาวกให้ทำลายของสมอย่างนี้เดียวนะนะัมันเป็อนวายใจสอนะนั่นะมันเป็นทุกข์เป็นภัยใหญ่โตนะนะนั่นกวไอ้กอตายก็ดตาในโลกนะไม่ใช่อื่นไกล ความร้องไห้หาการผอมเหนียร้องไห้หาการงามบิดามันนาร้อห้ดุกกกหลานนะตายไปดุกหลานร้องไห้หาพ่อหายายหายายนะน่นไอความสะสมนะไอนาตานะไอพระเดชะทั้งกล่าวยิ่งกว่านาพรมหาสมบททั้งส่นะนั่นไอความเป็นวัยไตเกอดนะไอสนใจไอสนใจมา สมถะวิเทวิปวันาวิเทสมถะแกเจ็ดไม่ได้ยังหลงอยู่ดีเลสเยเลสทั้งหลายต้องเกิดโดยสมถะนะเลสนวิปวันานะแเลดเทียแต่เลสเลดไม่เมะเพราะยังไงไม่ปลูกไม่ปลูกเลสปลูกอะไรใครเกิดขึ้นในดวงเจเนียเป็นของเท่บริุตร คนจากกิเลดแล้วนะั่นไอ้เลเ็ดนี่มันเกิดในสมถะอย่างเดียวยกตัวอย่างให้พวกเ ร, รีฟาชีต่างๆอยู่ในโกอยู่ในบาฮิมหานในครั้งนั้นเป็นห ม, มือนเะมื่อนะท่านเหล่านี้หอกเหินดนอากาศได้พงเนี่ยความศุกสมถะสำคัญนะเป็นพระนิพพานในพวกนี้นะเนะ่ยเมื่อตายไปแนละ้วก็ไปสู่ลูกคมลูกฝากสี่ ติทันนะนะ่เพราะมันอ่อนทั้งวิปัสนานะสอบเลสเทีเยนะนะ่และอิปการองคสมเด็จพระพระมุมเพระเอาเลสก็จะใช้นะ่อย่าไปถือเลสจะเป็นของเด่นะนั่นะให้ถือวิปัสนาล่างแค่นในดวงจิตนะให้สะอาดนะนะให้สนใจให้มากนะให้มากเทีเย ของ ท, ที่ไม่เทียงเทียงยกตัวอย่างให้ขึ้นนะทีนี้ขึ้นขึ้นให้ฟังนะทีนี่นะพระเทวทตัตได้ฤท์นะเ ห, หาะไปลระมานพระเจ้าตโกรในครั้งนั้นเอาไอ้งูประวัติตัวของเทวทตัตไปเหาไปแล้ววางนั้นพระเจ้าตะโตรยังทำงานอยู่ใน ประสาทนพระเจ้าศัตรูต ouais, ื่นเติรนขึ crazy, crazy. ้นเรเตืรนเรียวนะฤทธิ์ของเทวทัตนะไปลงที่ศาลในพระนครนั่นตอนนั้นเองแหละพระเทวทัตขายอมไมออมไมทรมพระเจ้าสตรูนะให้คาพอนะนั่นและพระเจ้าศัตรูก็ชอบฤทธด้วยนะให้เทวทัตแดงแดงฤทให้ดวงยังงวดยังเงี้ยอ้าว ลาบเกิดขึ้นไหนพระเทวทัตใชแล้วนั่นในเองนะและแล้วทีนี้ความไมา่ลาบเกิดขึ้นเชนั้นนะได้ยินถึงประการว่าพูใ้ใเจ้าเทวีพระอนอนท์เหล่าไอ้พุทธเจ้าวางเดี๋ยวในพระเจ้าสังครนะเดิงสายเทวทัศ์มาแต่งนานจะงนะแล้วทนี่น ะ, ะนะเอาอาหารร้อยสำรับหรือถวายห้าร้อยสำรับถวายเทวทัตนะ ขอพระยังไงเทวมณีวานเทวหาถึงห้ารยนะเธอเป็นพระอุปชานะนั่นองค์สมเด็จพระพระุทธพาของค์กะะัะสภ์ทถวหาถินของร้อย น, นะเป็นอาหารปลอมนะอาสวะยังไม่ได้สำเร็จนะนั่นแม่ที่เดียวลึดเลยนะเวลาทรามาร์มันจะสิงโครแล้วไหนพระสิงโครรข้าพอลงไปแล้วนั่น เทวดาทอเหาะไม่ได้แล้วนั่นเหาะไม่ได้แล้วนะ้นะทาสานเสื่อมแล้วนะ่นวัตถัยเทวดา ท, ทุกเิริขขึ้นในดวงจิตนะนะั่การมาวรคจรหมอบไปซะแล้วนะั่นกรารหนึ่งล็ดเลดเนี่ยเป็นของเี่ไม่ควรสนใจในศาสนาศนะาสนาสนใจสนใจสนใจสมุญเศตประหารนะชนะำระในดวงจิตนะนั่นะล็นี่ยเองยังได มือสมาแดนคนนึ่งสมมามาแดนหญ่นยุคในราสิบแปดสิบ้าปียังไม่ถึงที่สียบย้ในปวดนะนนพระสมาแดนคนนี้น่ะเป็นลูกเศรษฐของพระกัตริยเทระนะแล้แไ้นคนนี้น่ะเจริญขานเกิดขึ้นในดวงเกียติของเธอนะนั่นานสมบัติาสารส ม, มบัติแปดกประการตอนนั้น เวลาพระกสปะไปบินธราตะเธอห่อไปรับบินธราตะ mm. แล้วก็หาอไปรับทุกวันทุกวันนะพระกสปะเขบอกแล้วเธอนะ่ะเธอจะเธอหยุดนะฤทธนะไม่ไม่ไม่ไมัมมม่นคงนะจะ เ, เสือนะเน้นก็ไม่หยุดเลยนะเดินละเลยละกันแนละ้วสนะมัยเดิมสมัยเดิมพระกสปะเข้าทานม่รอดอยู่ในกฎนะ สามคแนนนะครโคมอาจารย์นอนแล้วนะเหาเล่นเทียรเหาะได้ใกล้ได้ใกล้เหาะทั้งสามสามสามรับเาหาะทั้งสามถามทวีเพียงอุดรครอเทียพปฐมีหาเทีมนศศุษย์จะหลกเทียร์เทีบอย่างนี้เหาะนะออาเหาไปเหมาเอานั่เ น, าา น, นเองแหนหญิงคนหนึ่งร้องแพลงนะ กำลังเก็บดอกไม้อยู่ในศานเดิ น, นั้นสามเณรกำนัดยินเลยเอาฤตตกแล้ว น, น, น, นั่นตกเรียงเนี่ยนั้นพระก็จะพาทั้งก็บอกนะักญาณนะเธอนะเธอนะั้ น, ะนไม่ใช่ของจริงนะนะถห้าไม่หยุดนะเธอพรอนในในสารธรรมบัตินนะีนะ่นี่นืนะ้อฤติเนี่ยไม่สำคัญสำคัญการทำเส้นอาสวะนะ สมุทรเศรพระหานั้นสำคัญนักเรียนนะนจิตไม่กำหลบนะพระราหานได้ฤทธนะนะจิตไม่กำหลบนะไปเห็นนางเทพสุดาคนสวรรค์่ก็ไม่กำหลบไปเห็นนางเทพนางเทพอยู่พญานาก็ไม่กำหลบนะยกตัอย่างพระมุกขลาพระมารายชอบไป หาพระ อ, อินทร์บ่อยๆนะเห็นนั่งควา้าทั้งหลายไม่กำรบนะบรอ ย, อยังไง้คะโทไม่มื่อเด็กของพระอระหันต์เสียแล้วเนะนะนี่ยนั่นนอละนใดคอตั้ง อ, อกตั้งตั้งสมถะวิเาสดวงนะตั้งวิปันานควนะวนะั่นะใครก็ม่ก็ในดวงนะนั่ น, ะนีให้ทความสงบ เรื่อยไปนะปฏิสตินะปฏิสติอย่างใดย่าหนึงเกิดในฉันดานของเราเธอเดือนนี้ขาไม่ตายในเบาดัาไม่ตายในใหญ่งดขามยายกสุะนันปนงหาตัวไม่ได้หายเียบเอนี่ั่นตัวรักคือสนะนั่น เอกยังด uh. ินขนพองสยองกลาวเธเดเอกยังเดินนำตาหลเอกยังดินกะดงนะกะดงนะเอยังดคล้ายคล้ายคลายอวัยวะคล้ายๆกับเม็ดเม็นเม็นนะนั่นเเักสดนนะนั่น ร้อสเออเฟต่งไม่เกิดดวงเินะเกิดในกายนะนั่นเนีเป็นเติียเติน้ทั้งการบ้าทั้งกล่าวให้เดิมให้เดิมนะนั่นเป็นอาหารของกินนะเมื่อเดิมแล้วนั่นความเพียรก็ไม่ถอยนะเดิมนานเลยๆเลยๆนะนั่นหากว่าไม่มีเฟติอย่างที่ความาความเพียรถอยนะถอยทีนะอ่า คอแล้วนะไอ้เกลเอของตัวตัดสินเชลแล้วนั่นตัดสินว่าไอ้มกกรรคผลนี่พ่านะเสื่อมแล้วนะแ้าได้เจองนะ่ายตัวยังไม่ทําให้เกิดให้ใ ห, หม่ก็ในดวงจิตนะั้ตัดสินไปใช่ก่อนแล้วเนี่ยนะตัดสินตามเกลเอของตัวนะตามมานณะเศรษฐีของตัวนะนั่นแล้วพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่กล่าว บอกว่าไอ้ขาทุกขาลาทุกพยาทุกไม่ประจำอยู่ในโลกนันอาราหันอยู่ได้ท่นั่นที่ดินนั่นอย่างเดียวอลาลาหันอยู่ทนั่นอาหันอยู่ได้ทนนหไทนนหไทนล่ะยยนหัวใจโมทชอนมันกลั่นกรองออกไปจากราคะโทราทโ ม, มหาไอ้อาลหันนะอละาลาหันนะ น, นันแท่นนังเสือโมดไท้นยองกันมันคณุว่า ดอกมัวนะดอกบัวนะวนะเป็นที่ชัยชมมรดกษักดิ์ามทั้งหลายนะมีกลิ่นหอมนะนั่นมันเกิดมาจากที่ไหนนะเกิดมาจากเปลือกตมนะนั่นอรหันนะที่ไหนมันเกิดมาจากราคะโทสทนะโมหะถูกไหมละอันนี้ได้นัานอรหรันตัวก็ในดวงจิตที่อาจารย์มั่ น, รรนพกรว่า อรหันรปรากฏอยู่ในโลกเช่นนะัไม่เสื่อมให้ยกตัวอย่างท่านเช่นมน่นทั้งกล่าวว่าในระหว่างที่อง์สมเดชพระภูมิอาภาพัพพลมนัข น, น, ข น, นขเดินขเดินข้างนั่นาเดินมักหไดบ่อยว่าอายสมณโคดมแหมเธอทำได้างา น, นอย่างเงี้เทียงนัานลาลาบใจเกงแนละสมณโคดมนะนั้น แตสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอราหารนันนะไอ้อราหันนั้นมันปลากรดอยู่นะมันไม่เสริมนะการมัน่นเป็นไวน้ำในตอนนี้มันเด่นอยู่ในโลกนะนั่นไม่เสริมนั่นคือเสริมแล้วพุทธเจ้าเอามาจากที่ไหนพระประเสริฐ น, นะนั่นยังไม่เสริมนะยังคงเทอยู่นะไั้ มันเสื่อมไปหัวใจของเรามันฟังไอ้ราคาโทสะาทัดสนแล้เสื่อมแล้วนะแต่เด็กเองไอ้ตัวิตของเรายังเดินไม่ถึงทีนะวาทนาของเรายังอ่อนนะความเพียอยังไมถึงที่ตัดสินไม่ใช่กอแล้วนะนี่อัลัฮตนยังเด่นอยู่ในโลกเลยนะอัลัฮันมันเกิดที่ไหนเกิดเปือกตอมเกิดเกิดราคาทมหนะเพราะยังไง องสมเดชพระพมีพระอากุณฑปุ ร, ประปวดนะเอาคนที่ไม่เ ก, กินเลยเทียนคนคนมองไม่เอาคนก็นะเทยนะไม่เอาเอาคนที่กําลังมีราคาโทสะโมหานะหมายความว่าแคตุไม่ผลต้องไม่นะั่นที่นันัน้นมันเกิดออกมาจากเปลือกตม้มนะอาหารหนะันนะเง่นดอกไม้นะั่งองบนนะมันเกิดมาจากเปกตมนะเงินเกิดมาจากส่อคลนะของส่อคลอกนะ กิดพ่อจากบิดดามบรดาเท่านันนั่นสะสมกันนะหนังสือมโตไทยนะนั่นน้ำโมดินะอ่ผสมกันกดขึ้นเดชขึ้นมานั่นกัรมันบอกว่าอักรังมนุษย์เสกมนุษย์เทือทอี่โตตาหอดก็ไปเอ็นพระพรมอดมาแล้วก็มาพมทั้งสีนะนั่นอามาพระพรมทั้งสีนะ เป็นอภปะมคอไม่ควรแต่ธรรมวิตรายโมนุษย์ไม่ได้มนุษย์นะเขาก็ตอย่างเดียนะนั่นล็อกไม่แต่เรียวอย่างโมอย่างเดียวสวรรค์ไม่แตหวานอย่างเดียวสั่ะมนุษย์นะเราทุตอย่างไม่ทุกอย่สมุทัยด่างนิโรธมึ่กของใดอยู่มนุษย์นะพระพุทธญาเากลั่นออกจากมนุษย์ พรเกกลลนนะเจกาสโรกของการประชาวัมณุนาอรักฐานกับมรรคนะนั่นะแอดนั้นมนุษย์มนุษย์แน่คล้า ย, า ย, ายกันในกรุงเทพนะบรรด า, นาหนุวาวทั้งหลายก็ชมอยู่หัวลำโพงแห่งเดียวนะและ้วไปตามไปต่างจังหวัดนะนั่นในมนุษย์นะมันเกิดนะในมนุษย์อินงมออกจากมนุษย์ทั่วร้ายที่ตัวก็ออกจากมนุษย์นะนะ มนุษย์นรกโหนึ่งมนุษย์เปิดตอมนุษย์เดขาเหนืนนั่นมนุษย์นะของลายของความชั่วนะไงความเจรนะพระพุทธเจ้ามนุษย์พระพเจพระละหันมนุษย์มนุษย์แทโวน่ะกายเป็นมนุษย์แต่เิดสูงนะสูงด้วยธรรมะนั่นมนุษย์เป็นของที่เด้ที่สดนะอืระยะเน้นะเพืนเข้าถก็บใหสงบ ในสมัยในอัน <ie> <Grand> o ุสนมโนตนะพระพุทธเจ้าไม่เกิดในแสนปีขั้นไปไม่เกิดแต่แสปีลงมาถึงร้อเกิดเดียวแต่ร้อยลงไไม่เกิดพระพุทธเจ้าเวียนแต่แสนปีลงมาถึงร้อแต่ร้อยขั้นไถึงแสนปีนะแล้ววางที่องค์สมเด็จพระุทธพาลยังไม่ใช่อยู่นะไขพรนะ อายุวันนาขกฮะพอละให้ทอนะขอให้ท่านม่ยเซเว่น ต, ตั้งร้อยอย่นร้อยเทียวนี้แต่เดี๋ยวนี้นหยุดแล้วไม่ถึงร้อยร้อยถ้ามีน้อยคือโซต่ดังเสือพิมพ์ก็ออกว่าอายุ7จสิบาแต่ชราแล้วนะั่นและ้วศาสตร์คณะของสม น, นมักโนดมน้อยเน็เดียวไม่เหมือนศาสนา์ อ, อื่นนะอุสันทอพหกหมื่นโกทัโ ก, โกนะคมใสเหมือนกัจโผลสองหืนที่ล่วงไปแล้วนะั่น ที่ผ่านไปแล้ว น, นา 80, นล้วเทียบประจําไปครายแปดหมือนนะนานในเสือผสมนักโดองปดสิบมิ้พระองค์มีเชืยไวิัอยู่นะเนมันมน้อยนิดเดียวเลยเปล่งคนขวายเที่เดียวผานไม่เร็บแปลงเห็นไม่มีเร็แปลงรักษานะเพราะนักอบรมเจ็ดใท้ชาตใไทยห้หักมากๆนะเล ย, นะ ย, นะยายเปล่านะไงตายแคเปล่านะยายเจ็ดเป็นหมันนะไเลยแปล่งคนขวายเทีเดียว อามารหรือโคมีอากา ร, ารอ่งางเวลาเท่าไหร่ไม่เห ม, มือนกับผลไ ม, ม้ต่ า, างๆธรรมดาผลอกไม้ อ, มมาอาศัยอุตุนัตดู น, ดนะเป็นแบบม่วงนะไม่ถึงนัตดูไม่ได้ไม่ได้กินนะมาม่วงนะแต่ธรรมะคําสอนของพระเจ้าหาเป็นแทนไม่ภาวนาตอนเช้าก็ได้รับความศพตอนเช้านะตอนบ่ายก็เหมือนกันกลางคืนตอนไหนได้รับคํามศพนะนะ ในอ่างสารอ่างเวลาออ้อัตถกาถาจารแทนกล่าวกานกล่าวนะเชวอวทของมานุษทุกวันนครคล้ายกับฝาแดบพริบเดียวนะ ม, มันแล้วถึงขนาดดัชนคทำความเพียรก็ทันไม่ทันว่าเสียท่าใหญ่นะใ ห, ห, มหม้หมุนตัวหมุนเฉวที่ไ้เป็นเกลียวเธอในศาสนาเนี่ยบูชา ปติปติโบูชาอันองสมแดดพระพมยาภาคานับว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่งนะเ<ม>ยงกว่าเมษนะเมษนะกองเดินเข้าไปถึงพ ม, มโลกเน้ะก็ไม่นับถือว่าบูชาตถาคตนะคนไหนปติปฏิบูชานักว่าบูชาตถาคตแ ท, ท้จริงนะั้นมันไกลต่อสวรรค์นะนี่พอนะเมตเนี่ยมันในกลนาะก ให้สนใจให้สนใจอดที่รวงแล้วปลนะายได้ไห้คิดถึงหมายความยังไงยกอุทธรณ์สอนผูที่มาใหม่วันหนึ่งพระหมหาบรณฑนะรทำกงเพียนโดนเทฝ่ายติมิติมือไทยวันหรือหรือุอออออตุเสนาดิคมนั่นข้ามานพระองค์อยู่นะั่นวันหนึ่งวันหนึ่งนะ องยังไม่ไสมําเร็จเป็นพระเจ้านะยังวิ่งหาธรรมะอยู่ในข้างนันยังเป็นหน้าพระโพนสัตนะใช้ตะปะอย่างยิ่งก็เดียวเนี้ยวันเดิ้ลวันเดิ้ลพระมามะโมโหตกลองหน้าเดืดนะมแลมเราเป็นพระราชาปกครองคนในกรุงกบิณฑบาตด้วยทศพิษกลาจะทำศีกประการไม่กางสุขมากศีประการหนึ่ง นี่พระมหาบรุษคือกองนะคือกองพาสหะเด็ดแล้วนะไงแล้วอภิะาลต้องอาวนางสนมต้งหกหมื่นนะแมมาจากดวงจักรเลอเอืรถสวยทั้งนั้นใช่ไมมาจากสมเด็จพ่อข้างหนึ่งสมเด็จแม่ข้างหนึ่แล้วระกูลใหญ่ไงนั่พระมหารุษคือกองนะสองพนเรย สามคะแนนมานางเอกนะนางพิมพานะนั่ น, นเศรษฐ์คะแนนนะมามองกเลียจะมานะลาฝุ่นเกิดไม่มีใหม่ตอนนั่นเองแหละฮะมาบอลตะเกิดกอ่อน